ถ้ายกแขนเรารู้ว่ายกแขนเนี่ยครับอะไรรู้อะไรถูกรู้ครับอ๋อฮเอเ อ, เอดีแล้วยมเลนมาเนาะเราจริงๆเนี่ยคือโยมเลีนเนี่ยคือเป็นดีมากเลยทําให้เกิดบรรยากาศแล้วก็มีการซักมีการถามมันสิ่งเหล่านี้มันทําให้เกิดสติปัญญาทั้งหมดเลยอ่ะเออเอาทีนี้เดี๋ยวจะถามอะไรนะของโยมมันเนี่ยยกแขนขึ้นรู้ว่ายกแขนอะไรรู้อะไรถูกรู้ครับ เออเออลองลงพ่อเอาอย่างนี้ก่อนเนาะเราถามว่าเอาสมมุตินะตอนนี้ยกจริงๆนะเพราะว่าถ้าไม่ยกเนี่ยมันเป็นแค่จำได้ว่ารู้เนาะเพราะเรื่องธรรมะนี้คือปัจจุบันขณะแล้วก็ลองยกดูนะทีนี้หลวงพ่อจะถามเนาะพอยกดูเนี่ยถามว่ายกแล้วยังให้ตอบตามความเป็นจริงตามที่รู้สึกกันแหละเนาะเอาลองลองลอ ง, งยกเนี่ยยกยังเดี๋ยวก่อนครับอันนี้ออผมกำลังคุยเรื่อง การยกแขนไม่คิดพูดถึงตัวรู้กับตัวถูกรู้ถูกต้องไหมครับเออเออคือทีเนี้ยคือถ้าเกิดหลักการเรายังไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรถ้าเรายังคุยเมื่อกี้ก่อนหน้าเนี้ยที่ผมฟังครับมันเป็นเรื่องการสมมตุติการพูดถึงการเปรียบเทียบอย่างในคลิปก็จะเป็นการพูดถึงการเปรียบเทียบแต่อันเนี้ยผมพูดถึงกรณีตัวอย่างที่เป็นจริง เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้จริงแต่ทีเนี้ยเรามาสมมติปัญญัติว่าเรามาทำความเข้าใจให้มันตรงกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆอย่างเนี้ยครับที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ที่เราไปเ อ, อ, อะไรยานอาวากาศอะไรนดาวเทียมนอกโลกการยึดกันอะไ ร, ออรแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจริงใช่ไหมเออมันไม่ได้เห็นได้จริงอุปม า, มาเปรียบเทียบเอออาจารย์ใช่ไหมครับอุปมาอุปมา อ่าแต่สิ่งที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงแต่ทีเนี้ยเวลาการสื่อสารน่ะมันจะต้องสื่อสารโดยบัญญัตโดยบัญญัตเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจให้ตรงกันสิ่งที่ผมกำลังสนทนากันเนี่ยเพื่อปรับความเข้าใจว่าไอ้ที่สมมติไปเมื่อกี้ที่เราผมนั่งฟังอยู่เนี่ยผมเข้าใจตรงกันหรือเปล่ามาถึงจะคุยต่อไปได้ถูกต้องไหมครับถ้าเกิดเหมือนเรานิยามไม่ตรงกันเนี่ย การสนทนาต่อไปมันก็จะต่างคนต่างเข้าใจผมเข้าใจว่านี่คือมือแต่อีกคนหนึงคุยเรื่องนิ้วมันก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องถูกต้องไหมครับออ่าดีอเดี๋ยวหลวงพ่อนิดหนึ่งนะพอดีวันเนี้ยที่เริ่มต้นรายการนะหลวงพ่อพูดเป็นเรื่องแรกเลยว่ากลุ่มที่ที่หลวงพ่อเป็นผู้เนี่ยเหมือนกับว่าเออเปิดห้องเนาะแล้วก็มีสมาชิกเข้ามาเนี่ยกลุ่มเนี้ยคือหลวงพ่อเนี่ยซึ่งจะเน้นในเรื่องของความรู้สึกตัวนะ เน้นของความรู้สึกตัวแต่ถ้าคนอื่นไปคุยเรื่องอื่นหลวงพ่อจะดึงกลับมาเรื่องของความรู้สึกตัวเพราะว่ามันเน้นตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันเรื่องของสติปัฏฐานเป็นเรื่องสําคัญเราไม่ได้พูดถึง่าหน้าถึงว่าบางคนอาจจะพูดทางตํารานะอันนี้หลวงพ่อแค่ยกตัวอย่างเนาะบางคนอาจจะไปพูดเรื่องโลกเรื่องธรรมหากินแต่ห้องนี้เราไม่ได้คุยเรื่องนั้นเรามาคุยเรื่องรู้สึกตัวคือรู้ตัวเราที่กําลังเดินกําลังนั่งกําลังอะไรเนี่ย เพราะนั้นพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็สังเกตนะบางทีเออคนอื่นก็พยายามจะพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่หลวงพ่อบอกมันไม่ใช่มาทางนี้หลวงพ่อต้องการพูดเรื่องนี้แต่ทีนี้ถ้าคนเข้าใจที่หลวงพ่ออมีวัตถุประสงค์อย่างเนี้ยมันก็คุยกันเรื่องเดียวกันอ่าพอเข้าใจได้ใช่ไหมอุปมาณนิดหนึ่งเพิ่มเติมอย่างสมมุติว่าในในทางโลกเนี่ยเราเรียนวิชาแขนงวิชาต่างๆเนาะมีคณิตศาสตร์สุศึกษาวิทยาศาสตร์สังคมประวัติศาสตร์อ่ะสมมตินะอทีนี้ ครูเนี่ยเวลาเขาประจําวิชาเนาะครูที่สอนคณิตศาสตร์เนี่ยเขาก็จะสอนแต่คณิตศาสตร์คนอื่นจะมาถามเรื่องศึกษาภาพเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยคุณครูบอกว่าเออนะใ ห, ให้เป็นช่วงงงนู้นกันแล้วกันเธอก็ไปเรียนกับเขานะแต่ช่วงงงนี้คุยจะคุยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเข้าใจนะแล้วก็คุยเรื่องเดียวกันโอเคมันก็ไปด้วยกันแต่ถ้านักเรียนจะเอาเรื่องนู้นจะเอาล่วงนู้นอย่างนี้ก็เลยคุยไม่รู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นห้องหลวงพ่อเนี่ยก็คือ หลวงพ่อต้องการเน้นถึงความรู้สึกตัวที่เป็นปัจจุบันอย่างเมื่อกี้เนี่ยกําลังสาธิตบอกยกมือสิยกเลยยกจริงๆอ่ะให้ทําจริงๆพอทําจริงๆแล้วนะถามว่ารู้ได้ไหมล่ะว่ามันมีการยก อ, ะอ่ะเออเนี่ยออกกันตรงนี้อ่ะพอถ้าบอกว่ารู้ได้เออรู้ได้แสดงว่ามี ม, ม, มีมีสภาพธรรมะที่รู้วับรู้แล้วเพราะบางทีเวลายกมือไม่รู้ก็มีบางทีอยกมือก็รู้นี่แสดงว่าธรรมชาติรู้เนี่ยบางทีมันก็รับรู้บางทีมันก็ไม่รับรู้ แต่เรากำลังเน้นอยู่ว่าเออถ้าจะฝึกเรื่องไหนต้องให้รับรู้ฝึกเคลื่อนไหวก็ให้รับรู้ฝึกหายใจที่มันหายใจอยู่แล้วก็ให้รับรู้คือฝึกอย่างนี้จริงๆนะถ้าเราเข้าใจตรงนี้มันก็มาในเรื่องเดียวกันตามที่หลวงพ่อตั้งตั้งห้องเปิดห้องเอาไว้เข้าใจไมมแบบนี้แล้วถ้ายกมือครับอ่าอย่า ง, งไงต่ออะไรคืออะไร เรารู้ว่ากระทําก่อนต้องกระทําเนาะพอกระทําปั๊บเนี่ยสมมุติว่ามันก็ต้องเอาจริงไงต้องยกมือจริงๆพอยกมือจริงๆก็อาจจะสอบถามกันว่ารู้ได้ไหมว่ายกเนี่ยเราถามกันแบบภาษาแบบโลกโกนี่แหละรู้ได้ไหมบางคนบอกรู้สิรู้ได้ทีนี้เราบอกว่าลองทําเป็นไม่รู้ได้ไหมล่ะเรืองลองยกลองทําแบบฝืนเลยบอกไม่ต้องรู้เนี่ยมันทําได้ไหมอ่ะอ่าพอบอกว่า สมว่าบอกว่าเอ้ยทําเป็นไม่รู้ไม่ได้ก็ถูกแล้วไงเพราะว่ามันรู้ตามที่มันเป็นจริงหรือบางทีพอทํานานๆเนาะทํานานๆเนี่ยตอนแรกก็รู้อยู่เนาะแต่พอทําไปปับ๊บเอามันไม่รู้แล้วก็ให้ตอบตามความเป็นจริงว่าเออเมื่อกี้เนี่ยเผลอไปลืมไปอย่างเงี้ยกําลังศึกษาเรียนรู้เรื่องของของรู้กับเรื่องของความไม่รู้เออก็คุยกันไปเรื่อยๆเนี่ยต่อยอดไปเรื่อยๆต่อยอดไปเรื่อยๆเพราะธรรมะเรื่องสติปัฏฐานเนี่ยต้องมีการเขาเรียกว่า ต้องมีเจตนาในเบื้องต้นเนาะต้องมีการเจตนาที่จะกระทําอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าไม่เจตนามันก็เป็นสัญชาตญาณก็คือหลงลืมคือรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจําเป็นจึงจะต้องมีเจตนาที่จะให้ระลึกรู้อยู่กับฐานใดฐานหนึ่งนะเช่นฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมก็ได้สักอย่างเดียวสักฐานเดียวอย่ามั่วอย่าสเปสะปะหลายฐานไม่อย่างนั้นเนี่ยสติปัญญามันยังไปไม่ทันแล้วมันจะฟุ้งซ่าน แต่ถ้าฐานเดียวอ่ะดูลมเข้าไว้ก็ดูฐานเดียวแต่พอดูแป๊บๆเห็นไหมมันจะรู้ตามความเป็นจริงว่ามันไม่ได้รู้ลมตลอดเวลาบางทีมันก็แวบไปรู้เรื่องอื่นบางทีก็แวบนานแล้วก็การที่รู้ว่ามันแวบเนี่ยนั่นแหละแสดงว่ามีสติแล้วว่ามันรู้ ร, รู้ว่าแวบทีนี้เราก็มาเรื่องมาศึกษาในเรื่องของสิ่งถูกรู้เช่นลมเป็นสิ่งถูกรู้ใช่ไหมแล้วก็ไอ้ตัวรู้คือตัวสติเป็นเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเออเป็นธรรมชาติอีกสิ่งหนึ่งที่ทําหน้าที่รู้ จึงแยกด้วยปัญญาเป็นว่าอ๋อลมก็อย่างหนึง่งธรรมชาติรู้ก็คือเป็นเรื่องของจิตของใจเป็นเรื่องของสติก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งมันเป็นคนละสิ่งกันอ่าอย่างเนี้ยเริ่มรู้จักสอง ส, ส, ส, สภาวะแล้วแล้วก็ทําไปทำมาเดี๋ยวมีเจ็บมีปวดเอา้าก็รับรู้ได้อีกแล้วอะไรมารู้อีกก็เริ่มรู้จักว่าอ๋อมันเริ่มรู้จักว่าในเนี้ยในกายเรานี่เนาะมันมีธรรมชาติรู้เนี่ยเหล่านี้ยทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเป็นการศึกษาเรียนรู้ความจริงว่าเออ มันเป็นยังไงมันมีอะไรมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงแล้วก็อะไรเป็นอะไรอันนี้มันเป็นภาคปฏิบัติเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปฏิบัติมาก่อนจึงรู้แจ้งรู้จริงจึงพูดไปสอนสาวกสาวกก็รับฟังมาและปฏิบัติตามก็รู้ตามกันไปเนาะส่วนตําราเนี่ยเป็นเรื่องภายหลังหมายความว่าต้องรู้มาก่อนแล้วก็มาเขียนมาบันทึกเอาไว้นะคนที่ไม่รู้ก็ต้องอ่านตาําราเป็นแผนที่แต่อ่านตําราอย่างเดียวไม่ได้จะ ต, ต้องลงมือ นะฝึกให้มันรู้แล้วก็เมื่อรู้แล้วก็จะเข้าใจเองเข้าใจเองอ่าต้องฝึกนะลูกนะต้องทําครำขออนุญาตครับหลวงพ่อครับน้องลีนก็ขอบคุณนะครับที่มาช่วยเกื้อกูลนะครับแต่ก่อนผมก็เรียนอภิธรรมนะครับผมเคยเค ย, เคยเกิดคําถามกับบ้านธรรมมาว่าและอปริยัติหรือว่าที่เราเรียนอภิธรรมมาเนี่ย เขาามาจากไหนกันก็ก็ตอบว่าก็มาจากสมัยก่อนก็มาจากใครก็มาจากการสภาวัรทำที่ผู้ปฏิบัติธรรมนั่นแหละเพราะธรรมะมันพูดออกมาไม่ได้เลยก็ต้องกัดกรองมาเป็นภาษาเพื่อว่ า, าจะอธิบายเป็นภาษาสมมุูทนะครับและอีกอย่างหนึง่งน้องเลยกก็พูดถูกว่าคนเราเวลาถามให้ตรงประเด็นก็ต้องตอบให้ตรงประเด็นจะได้ไปด้วยกันได้อันนี้เห็นด้วยครับก็โมทนาและสิ่งที่เข้าใจที่สุดคือว่า การปฏิบัติธทมเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนกับว่าเวลาผู้ภากษาจะจับผู้ลายเนี่ยจะเอาแบบว่ามันน่าจะนะถ้าอย่างนั้นนะถ้าอย่างนี้ไม่ได้ครับมันต้องมีหลักฐานก็คืออย่างที่เราอย่างขนาดเนี้ยถ้าน้องไม่ยกมือเอาแค่ลมหายใจน้องต้องมีเอาแค่ความรู้สึกของลมหายใจเข้าและออกเนี่ยน้องรู้สึกเข้าหรือออกเนี่ย <S <S บอกว่าหายใจเข้าบอกไม่เข้าได้ไหมหรือออกไม่ได้เราหายใจเข้าเราบอกว่าออกเราหายใจออกบอกว่าเข้ามันฝืนไม่ได้ นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าถ้าอยากจะเข้าใจถึงจุดนั้นเนื่งากความเข้าใจอะ่ะก็ลองลองปฏิบัติคำแนะนำที่หลวงพ่อบอกครับขอบคุณครับของแป๊บหนึ่งนะของของโยมของโยมรินนะโยมเลนโยมเนหลวงพ่อมีอให้ให้ข้อพิจารณานะคือครูบาอาจารย์เนี่ยท่านคือท่านรู้จริงแต่ท่านก็เลยมามาบอก พวกเราหรือว่ามาพูดเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้เกิดสติปัญญาโยมเคยได้ยินไหมหลวงพ่อก็พูดบ่อยๆว่ามีการคุยกันว่ากเกลือเนี่ยมันเค็มหรือไม่เค็มนะคือเค็มหรือไม่เค็มหรือไม่เค็มเนี่ยมันมีสองคำตอบคือเค็มกับไม่เค็มนะทีนี้ถ้าสมมติหลวงพ่อจะถามโยมเนี่ยถามโยมเรนถามตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้เนี่ยกำลังคุยเนี่ยว่ากเกลือมันเค็มไหมอ่ะโ ย, ยมจะตอบว่ า, วายังไงอ่ะ่ลองตอบมาหลวงพ่อฟังนะเดี๋ยวหลวงพ่อจ <smile> ะชี้อะไรบางอย่างให้เค็มรับ อ่าตอบว่าเกลือเค็มใช่ไหมแล้วขณะปัจจุบันนี้เค็มไหมเดี๋ยวนี้ยตอนนี้ปัจจุบันไม่มีเกลือครับอ่านะเนี่ยตรงเนี้ยเริ่มเริ่ ม, เ, มเห็นความแตกต่างไหมว่าบางคนเนี่ยตอบโดยอาจจะไม่มีประสบการณ์อาจคือยังไม่ตอบคือตอบไม่ก็ เ, เรียกว่าตอบตามที่ตัวเองเห็นว่าตอบตอกว่าเค็มเหมือนตอนแรกเนาะตอบว่าเค็มทําไมจึงตอบว่าเค็มเพราะเคยชิมเกลือมาแล้วก็ จำได้ว่าเค็มหมายความว่าขณะผัสสะในขณะนั้นขณะที่ชิมเกลือเนาะแตะลิ้นเนี่ยโอเคในขณะปัจจุบันเนี่ยมันเค็มอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้ในขณะปัจจุบันแล้วไม่ต้องถามใครด้วยนะว่าเกลือเค็มหรือไม่เค็มเพราะในขณะปัจจุบันอันนั้นแหละมันรู้จริงๆ ร, รู้เอ ง, ร, เองรู้เองด้วยนะอ่านอกตําราต่างหากอีกตําราไม่ต้องบอกหรือคนอื่นจะมาบอกว่าไม่เค็มอย่างนั้นไม่เกี่ยวเพราะมันรู้เป็นปัจจตัง แต่ขณะนี้เดี๋ยวนี้นะไม่ได้ผัดสะไม่มีเกลือให้ไม่มาเค็มให้มาออกระทบลิ้นก็เดี๋ยวนี้จึงรู้แจ้งแก่ใจเลยว่าตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้เกลือไม่เค็มก็มันไม่เค็มแต่เกลือมีอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่เค็มความแตกต่างคำตอบของที่บอกว่าเค็มกับไม่เค็มหลวงพ่อจะแยกอย่างนี้เมื่อกี้ที่บอกว่าเค็มอันนี้เขาเรียกว่าตอบแบบสัญญาจาคือจาได้ แต่มันไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงนะแต่ถ้าว่าถ้าตอบไม่เข้มนี่เขาเรียกว่าตอบอย่างนักปฏิบัติคือตามความเป็นจริงเดี๋ยวนี้ตอนนี้ในขณะปัจจุบันนี้มันไม่เข้มอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือความแตกต่างระหว่างคนปฏิบัติกับคนไม่ปฏิบัติคนไม่ปฏิบัติเนี่ยอ่านเยอะฟังเยอะก็จํามาเห็นไหมนี่ถ้าเราอ่านพระไตรปิกทั้งหมดเนี่ยจําหมดเลยเพราะในขณะปัจจุบันไม่มีสภาวะไม่มีอะไรเลย แต่นักปฏิบัติเนี่ยต้องมีสติคือรู้ตัวรู้ถึงสิ่งที่กําลังปรากฏในปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันเป็นการรู้จริงกว่าเพราะจริงแบบปัจจุบันแต่ปัจจุบันมันก็มีนิดเดียวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอีกแล้วมันก็เป็นปัจจุบันขณะใหม่ขณะใหม่ไปเรื่อยไปเตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นที่ที่เราคุยคุยกันเนี่ยเราเน้นถึงปัจจุบันไงเพอปัจจุบันปั๊บใครๆก็เออสัมผัสได้รู้ได้เออเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ตอบถูกตามปัจจุบันไปเรื่อย แต่ทีนี้ถ้าเราเอาความจำมาพูดอนะ่ะมันก็ถูกนะแต่ถูกแบบจำซึ่งห่างไกลต่อความเป็นจริงมากเลยนะแล้วโยมลองดูดีว่าที่เราอ่านมาทั้งหมดเนี่ยจำหรือไม่จำจำสมมว่าเราเรียนพุทธประวัติอย่างเนี้ยเราไม่ได้เกิดในนั้นเราไม่เคยเห็นด้วยตาไม่เคยได้ฟังด้วยหูแต่เขาว่าเขาว่าพอเขาว่าเสร็จแล้วเราได้ยินได้ฟังจาได้อย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเราไปยึดแบบนั้นเนี่ยกลายเป็นว่า เออไปยึดไปยึดความรู้ของคนอื่นหรือว่าไปจํามาซึ่งมันห่างไกลต่อความเป็นจริงเพราะฉะนั้นความเป็นจริงคือเดี๋ยวนี้ตอนนี้กําลังได้ยินกําลังเห็นกําลังร้อนกําลังหนาวกําลังโกรธกาลังเฉยเฉยกำลังพอใจกําลังไม่พอใจนี่ตอนนี้ต่างหากซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับตําราแล้วตอนเนี้ยตําราเป็นแค่แผนที่บอกไว้แต่ของจริงนี่คือภาคปฏิบัติเดี๋ยวนี้ตอนนี้กําลังเห็นกําลังได้ยินเนี่ยอาการทางจิตทางใจเนี่ย นะมันโกรธมันเกลียก็รู้ได้นี่ถ้ามีสติเนาะแต่ถ้าไม่มีสติคือไม่รู้เพราะว่ามัวแต่จะเอาอะไรบางอย่างอยู่แต่ก็เลยเลยไม่รู้ตัวเองมันก็พลาดไปเพราะฉะนั้นหลักธรรมะที่จะให้รู้จริงเนาะนะเน้นปัจจุบันแล้วก็การที่รู้ในตัวเองเนี่ยมันรู้ง่ายเพราะว่ารู้แบบไม่ต้องมันไม่ต้องคิดมากไงสมมติว่าเรามีเราความเจ็บความปวดตรงไหนเนาะเราไม่ต้องคิดหรอกว่า มันเจ็บหรือเปล่ามันปวดหรือเปล่ามันรู้ไปแล้วมันรู้เลยเนาะอืมความสบายใจความวิตกมันไม่ต้องคิดหรอกมันรู้ไปเลยแต่ถ้าลองไปจําตีโอ้โหกว่าจะคิดออกนานมากเลยแล้วก็ปวดหัวคิดแล้วก็ไม่ออกเห็นไหมมันห่างไกลกันเยอะยิ่งคิดก็ยิ่งเป็นทุกยิ่งเหนื่อยแต่ถ้ารู้ปัจจุบันมันรู้ของมันเองได้นี่เหมือนกอบเมื่อกี้ถ้ายกมือมันก็รู้ของมันเองได้เจ็บปวดหิวมันก็รู้ของมันเองได้ง่วงนอนเบื่อเซ็งมันก็รู้ของมันเองได้นี่คือปัจจุบัน แล้วก็เมื่อรู้ปัจจุบันบ่อยๆจะเห็นตามความเป็นจริงว่าเออทุกอย่างเกิดแล้วก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปมันเป็นสภาวะนะมันเป็นสภาวะซึ่งสภาวะเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นเอ่อใครเรียกว่าสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏซึ่งไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เรามันไม่ใช่เรามันเป็นแค่สภาวะแล้วก็หมดไปหมดไปนะเพราะฉะนั้นสิ่งถูกรู้ทั้งหมดมันก็ไม่ใช่เราแล้วก็ที่เป็นผู้รู้ทั้งหมดอ่ะที่รู้นั่นรู้นี่รู้เจ็บรู้ปวดเนี่ย มันก็ไม่ใช่เราเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอย่างนี้แหละสอนเรื่องไม่ใช่เราสอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นเรียนธรรมะต้องเรียนแบบนี้นะลูกเอ้ยอทําไมไม่สอนง่ายๆอะครับก็ยกยกแขนก็รู้ว่ายกแขนทําไมต้องไปเปรียบเทียบสอนให้คนไปจินตนาการหรืออะไรที่มันที่ ท, ที่ท่านอธิบายก่อนหน้าเนี่ยครับมันเหมือนกัน อ, อธิบายจินตนาการ <laughs> เปรียบเทียบ แทนแทนที่จะสอนตรงๆ อ, อ, องง่ชัดชัดเ้เลยเลยนี่ยครับมันก็เหมือนเหมือนอย่างที่ที่ทางทางพอบอกอะครับว่าอคือเราต้องรู้ในปัจจุบนันอย่าเงี้ยครับแต่การที่เราไปอธิายตัวรู้ผู้ถูกรู้ไปอธิบายเยอะๆเลยเปรียบเทียบ อ, อ, อะไรนะ น, น, นี่โน่อนอะไรเอีอคือยมยมถามดีนะเนี่ยมันก <laughs> ลายเป็นว่าเหมือนกับว่ามันมันกลายเป็นว่ามันก็ อ่ะถ้าถ้าคนคิดตามมันก็จะฟงสร้างถูกไหยครับแต่ถ้าเกิดเราสอนให้รู้ไปตรงๆ ง, ง, ง่ายๆเนีง้ยครับถ้าเกิดเขาจะสงสัยหรือว่าจะมีปัญหาอะไรเงี้ยก็ให้เขารู้ตามรู้ความจริงตามความเป็นจริงกำลังพูดก็รู้ว่ากำลังพูดอย่างเงี้ยครับก็ง่ายๆตรงๆถูกแล้วแหละจริงๆแล้วแล้วมันจะดีขวาด้วยมันจะเข้าใจง่ายขว่าที่เราไป ที่ก่อนหน้านี้นนครับที่หลวงพ่อเปรียบเทียบเยอะแยะมากมายความเข้าใจมันต้องคนต้องคิดตามถูกต้องไหมครับอื <Even> แต่ในทางตรงข้ามถ้าเกิดสอนตรงๆสอนขณะปัจจุบัน passed, ze, คนก็จะทําในขณะปัจจุบัน passed, แล้วก็ทําไปด้วยแต่ถ้าเกิดอย่างหลวงพ่ออธิบายหรือเปรียบเทียบเนี่ยคนก็จะคิดทีเนี้ยยิ่งคิดก็ยิ่งเหมือนที่เมื่อกี้หลวงพ่ออธิบายพูดใช้คําว่าอะไรสักอย่างนี่แหละมันจะเข้าตามนั้นเลย ทำไมคําถามก็คือทำไมถึงก็ยกหนึบก็รู้ยกหนึบก็จบะนะเออนรยมก็พูดดีนะจริงๆอันธรรมะเป็นเรื่องเรียบง่ายมากนะผู้มีปัญญาเนี่ยพูดเราพูดให้ฟังคำสองคาแค่นี้คือเก็ตเลยเข้าใจเลยหลุดพ้นเลยเนาะแต่ทีนี้ก็มีหลายคนไงเขาบอกเขาไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจเลยต้องขยายความยกตัวอย่างโน่นตรงนี้ จริงๆอะถ้าคนที่รู้แล้วเนี่ยเขาก็รู้ว่าโอ้โหพูดทําไมมันยาวอย่างนั้นอันนี้คือคนเข้าใจเนาะคือมันจะแต่ที่หลวงพ่อพูดไงครับเออเาทีนี้สิทีนี้มันอย่างนี้ที่หลวงพ่อพูดเนี่ยเราก็ขยายอีกอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่ที่โยมหลงผิดไปตอนแรกเนาะถามว่าเกลือเค็มไหมนะทุกคนก็บอกว่าไม่ไม่ใช่ประเด็นปัญหาคือเมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าเราจะมาดูปัจจุบันเราจะปฏิบัติเราจะไม่เอาทฤษฎี S <S <ừ> เราจะไม่แอ n g ตำราเราจะดูเห็นจริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแต่พ <ừ> อกาลอธิบายเนี่ยมันก็คือต้องอิงตำราอธิบายถูกต้องไหมครับ ม, มันไม่ใช่มหนจริงถูกต้องอมัน ม, มันคู่กันครับเออเคยอย่างนี้เวลาเพราะว่าไม่ไม่ใช่เห็นจริงจริงไงหลวงพ่อบอกว่ามันต้องเห็นจริงๆการที่หลวงพ่ออธิบายเนี่ยคนที่คนที่รับฟังอยู่ก็เขาจะไม่เห็นจริงๆเขาต้องนึกถูกต้องไหมครับมันก็เลยขัดไงขัดกับที่หลวงพ่ออธิบายว่า ไม่เอาไอ้พวกเนี้ยคําอธิบายไม่เอาเพราะแล้วก็ไม่คือวันเนี้ยผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องตําราเลยแต่ก็มีแต่คนพูดถึงเรื่องตําราหรืออะไรเงี้ยคือคือผมก็ได้หมดอ่ะผมไม่ได้แบบซีเรียสอะไรครับปฏิบัติก็ได้อคุยเรื่องปฏิบัติก็ได้อย่างเนี้ยอย่างตอนเนี้ยที่ผมโฟกัสก็คือเรื่องการปฏิบัติไม่ต้องพูดถึงตําราไม่ต้องพูดถึงทฤษฎีไม่ต้องพูดถึงหลักการแต่ว่าคือจากที่ฟังเนี่ยครับท่านก็คือผมไม่ได้บอกว่า การพูดไม่ดีหรือว่าไม่ควรพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่แค่ผมงงงงไม่เฉยว่าบอกว่าให้ดูความเป็นจริงแต่พอเวลามีคนสงสัยแทนที่ท่านจะบอกว่าให้ดูความเป็นจริงเรายังไม่ต้องมาดูทฤษฎียังไม่ต้องเข้าใจหลักการเรามาดูเห็นความจริงก่อนว่าความจริงจริงที่มันปรากฏขึ้นเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ได้ทาอย่างนั้นกลับมาอธิบายมาเปรียบเทียบหลักการมันก็คือทฤษฎีอั่นแะครับ มันก็เลยขัดกันไงครับผมก็เลยงงว่าเอ้าสรุปถ้าจะเอาทฤษฎีเพราะคนคุยอย่างเมื่อวานผมเอาทฤษฎีหรือหลักการมาคุยก็ก็บอกว่าให้มาดูปฏิบัติแต่พอมีคนอื่นสงสัยก็เอากับเอาไอเรื่องนี้มาพูดอะไรเงี้ยก็เลยมันหลักการเนี่ยถ้าถ้าถ้าถ้าถามผมเนี่ยผมก็เลยสงสัยแต่ถ้าถ้าเกิดคุยทฤษฎีได้หรือคุยหรือจะเอาทั้งสองอย่างอย่างเงี้ยมันก็คุยกันได้แต่ถ้าอย่างอันนี้ที่ผมที่ผมสนทนาอยู่ตอนเนี้ยก็คือ เป็นการปรับความปรับปรับปรับความเห็นว่าเราตกลงกันว่าเราจะคุยแบบไหนว่าจะคุยแต่ปฏิบัติไม่เอาทฤษฎีมาคุยนะเอาหลักการสติปัฏฐานแล้วก็มาทำเข้าใจจริงๆอย่างนี้ครับมันก็มันก็จะคุยได้แนวหนึง่งแต่หรือถ้าจะเอาหลักการทฤษฎีมีการอธิบายว่าทำไมถึงเกิดอะไรอย่างนี้ครับมันจะมีสติ อะไรรูปน้ําขันห้ากินญาตอะไรเยอะแยะมากมายอย่างที่หลวงพ่ออธิบายว่ามันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเหตุ ป, จปตัจจัยปฏิจะอะไรเยอะแยๆมากมายมันจะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเราจะดูปฏิปติหรือการปฏิบัติเนี่ยมันจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเท่านั้นคือคือคืออันนี้ที่ผมคุยก็คือสรุปอย่เท่านหลวงพ่อท่านต้องการเ อ, อสนทนาแบบไหนกันแน่อะไรเงี้ยเพราะว่า เหมือนพอคุยเรื่องนี้ก็จะไปขยายอธิบายแต่พอพ อ, พอจะคุยเรื่องการอธิบายก็ไม่อเอามาดูปัจจุบันสิลองยกมือสิอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยงงว่าเอายังไงกันแน่เนี่ยครับโอเคครับก็ขออนุญาตเนอะเนาะอย่างน้ okay, อง น, น, น้องลิ น, น, น, น, น, น, นผมถามหน่อยน้องว่าธรรมะคืออะไรครับอันนี้พูดเราพูดผมเป็นกลางเนาะธรรมะคืออะไรครับก็ถ้าจะไปคุยบญรยติมันก็ยาวครับจะจะคุยเนี่ยเอาเข้าใจน้องครับก่อนที่จะคุยตรงไหนเนี่ย เรามาศึกษาธรรมะเนาะคำถามว่าธรรมะคืออะไรก่อนถ้าเราไม่รู้จักคำว่าธรรมะคืออะไรเนี่ยมันก็ไปกันไม่ได้ครับคือมันต้องภาษาเดียวกันเนาะคือคือเมื่อกี้พ่อพบอกว่าฮะเอาเอาเอาน้องน้องน้องน้องเอาเขาตอบพ่อพี่พี่คือคือพี่เพิ่เผยความหมายความว่าเราเอาความตอบของน้องว่าธรรมะคืออะไรก่อนแล้วกีน้องถึงพูดถึงว่าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเข้าใจว่าธรรมะมันจะสืบเนื่องแล้วขยายไปว่าปัจจุบันคืออะไร เพราะนั้นอยากให้น้องคําว่าธรรมะเนี่ยคืออะไรก่อนแล้วได้เข้าใจไปทั้งสองฝ่ายเชิญเชิญครับธรรมะคืออะไรครับธรรมะเนี่ยมันคือสมมุติบัญญยัดมันเป็นคําพูดหนึ่งคำมันแล้วแต่ว่าใครจะบัญญัติว่าอะไรอย่างเช่นแมวหมาเราก็จะไปบอกว่าแมวเนี่ยลักษณะเป็นอย่างนี้สมมุติว่าถ้าต่างประเทศอ่ะแคทอย่างเงี้ยเขาบอกแคทเนี่ยเขาก็จะเปรีอธิบายว่าคําเนี้ยมันคืออะไร มันแล้วแต่คนจะอธิบายเลยครับมันมันไม่ได้มีมันเป็นบัญญัตินะครับเขาพูดโดยหลักการแลมันคือผมเข้าใจน้องละมันคือแค่คำพูดธรรมดาเท่านี้เองครับครับครับคือคุณผมเข้าใจละคือจริงจริงจริงแล้วเนี่ยผมจะเราเอ า, เอาเอาเราทุกคนเนะาะธรรมะจริงๆเนี่ยก็คือความจริงครับความจริงที่มันไม่สามารถปฏิเสธได้แล้วก็พิสูจน์ได้เดี๋ยวนี้ยคาว่าปัจจุบันใช่ไหมครับที่น้องถามว่าปัจจุบันคืออะไรตอนนี้น้องมีเห็นไหมครับเอาง่ายๆน้องมีเห็นไหมครับตอนนี้ อย่างอย่างเมื่อกี้ทางพี่ถามว่าธรรมะคืออะไรใช่ไหมครับพี่ก็จะบรรยายนครับพี่ก็บอกว่าของพี่ถูกต้องไหมครับคือความจริงเนาะที่เราคุยกันของพี่และที่มามพีที่ถูกต้องไหมครับความผมแต่ว่าพี่ไปถามคนร้อยคนน่ะเขาจะตอบเหมือนพี่ไหมครับมันก็ไม่ใช่ถูกต้องไหมครับแต่ละคนเขาจะมีนิยามแล้วเขาก็จะให้เหตุผลที่ต่างกันถูกต้องไหมครับไอ้ธรรมะคาเดียวกันน่ะบางคนก็บอกเป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยครับมันคือ นั่นแหละครับเพราะว่าคนเรามีมิจฉาทิถีค่อนข้างจะเยอะเพราะวัติความว่าธรรมะคือธรรมชาติคือนั่นนี่นี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยธรรมะคือความจริงเนาะความจริงยกตัวอย่างน้องได้ยินเสียงพี่เพลินเนาะเสียงเนี่ยมีจริงใช่ไหมครับและเสียงมันก็ปฏิไม่มีใครเวิปิเสธของเสียงได้ถูกต้องไหมครับและเสียงได้ยินขนาดไหนขนาดที่ปรากฏขนาดเนี้ยคือปัจจุบันใช่ไหยครับคือคือ เออพี่พี่เคยฟังเรื่องกลาโหมสูตรไหมครับพ yeah> ี่เข้าใจเคยได้ย yup. ินครับแต่ทผมบอกว่าให้พี่หยุดคือเราเราดึงมาจูนกันว่าธรรมะคืออะไรและขนาดนี้ขณะที่ผมหยุดพูดเนี่ยเสียงไมื่กี้มันไม่ปรากฏใช่ไหมแต่สักพักน้องก็พูดไปก่อนคือเสียงเกิดขึ้นแต่ขนาดเสียงนั้นมันหายไปไหนคือผมพยายามดึงให้อยู่ปัจจุบันว่าธรรมะคือเป็นสิ่งที่มีจริงไหมและจริงอย่างไรและขณะที่มันจริงมันปรากฏแล้วมันดับไปยังไง คือคื อ, คอไอไอคำถามของพี่เมื่อกี้ที่ถามใช่ไหมว่าธรรมะคืออะไรใช่ไหมครับมีความหมายอย่างไรใช่ไหมครับแล้วพี่ก็ไปฟันธงเลยว่าคนอื่นนะคิดผิดอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็พยายามอธิบายเหตุผลว่าไม่ใช่ ค, ครับไม่ใช่ครับคื อ, ค, อคืออยากให้เราพิสูจน์ได้ตัวเองว่าใครคิดถูกคิดผิดก็อยู่ที่ตัวเราอะครับก็ถุงถามว่าได้ยินมีจริงไหมตอนนี้น้องแต่ว่าได้ยินมีจริงไหมเอาความรู้สึกน้องครับ ตอนนี้เราพี่เปี่ยนแล้วเดี๋ยวพี่อย่าเพิ่งเปลี่ยนอย่าเพิ่งเปลี่ยนประเด็นครับพี่ผมยังคุยเรื่องธรรมะคืออะไรแล้วก็เรื่องที่พี่ฟันทงว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ก็พี่ถาว่าอื่นไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมใช่ไหมครับได้ยินเสียงเสียงมีจริงไหมครับเอาตรงนี้ก่อนเสียงมีจริงจริงไหมเราพูดทุกคนเนี่ยไอเรื่องธรรมะเนี่ยคือยังไม่จบแต่พี่จะเปลี่ยนเรื่องใหม่เป็นเรื่องว่าเขาไม่ใชความที่มีถูกต้องอย่างนี้มีจริงใช่ไหมครับ ผมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แป๊บนึงผม่ไม่ม I mean really hmm. ีปัญหาพี่จะคุยเรื่องอะไรก็ได้แต่ก็แค่จะคุยเรื่องเสียงมีจริงไหมก็ได้ผมไม่ได้มีปัญหาแต่แค่ผมแค่จะคอนเฟิร์มกับพี่เฉยว่าที่พี่ถามผมรู้ว่าทําไมมีจริงไหมเนี่ยมันยังไม่จบนะแต่พี่จะไม่คุยต่อใช่ไหมพี่จะคุยเรื่องใหม่ใช่ไหมผมก็ยินดีที่จะคุยเรื่องใหม่ผมไม่ได้มีปัญหาคือคุยได้หมดเลยแค่แค่ถามเฉยๆครับพี่ว่าจะคุยเรื่องใหม่ใช่ไหมเรื่องเก่ายังไม่จบนะจะคุยเรื่องใหม่ก็ได้ผมก็ยินดี อ๋ปปปอปล่าเปาคือคือผมพูดว่าขนาดคุณพูดเรื่องเก่าเนี่แหละครับแต่จิตเราไปปรุงแต่ไปปงตไปเรื่องใหม่ไปข้างหน้าไปข้างหน้าคือหมายความว่าผมพูดถึงปัจจุบันเมื่อกี้น้องบอกว่าปัจจุบันคืออะไรพูดไปแต่อดีต ท, ที่ดกตัวอย่างแต่ผมดึงน้องมาอยู่ปัจจุบันว่าปัจจุบันเนี้ยน้องได้ยินเสียงไหมตอนนี้เสียงที่ผมทที่ปรากฏเสียงเนี่ยเสียงได้ยินมีไหมถ้าคุณกล่าวว่า อ่าอธิบายหรือว่ามันไม่ใช่สูมันเป็นเรื่องราวเป็นชื่อแต่ถ้าถามว่าเสียงนั้นมีจริงไหมแล้วคนที่จะตอบได้ว่าได้ยินหรือไม่ได้ยินยะเป็นคนหูหนวกถูกต้องไหมครับจะตอบว่าไม่ได้ยินเราหูไม่หนวกแต่เราต้องตอบว่าได้ยินอยู่ไหมถ้าได้ยินแล้วอะไรไปได้ยินคือค่อยสู่ปัจจุบันตรงนี้ครับอย่างยกตัวอย่างเนาะเสียงที่มะพร้าวตกในสวนเนี่ยน้องได้ยินไหมก็ต้องตอบเลยว่าไม่ได้ยินเพราะเราไม่ได้อยู่ที่สวน แต่ขณะนี้เราอยู่ห้องเนี้ยสภาว่ารามปัจจุบันเนี่ยตกพร้อมกันเนาะได้ยินเสียงการเสียงเกิดจากที่นี่กับที่นู่นคนะเสียงเพราะว่าเสียงที่เราได้ยินพ่อมีเหตุปัจจัยเพราะเราไม่มีอะไรเป็นกั้นใช่ไหมครับอันนี้คือผมพยายามให้เราเข้าใจว่าธรรมะก็เป็นสิ่งที่มีจริงแล้วก็มันจริงยังไงอย่างนี้ครับเพราะถ้าพูดเรื่องเป็นราวเป็นชื่อมันก็เป็นสังขารมันก็ปรุงเป็นชื่อเรื่องราวหมดแต่ปอมาถามว่าสองขะจริงว่าเสียงมีจริงหรือเปล่าขณะที่เสียงมีจริงเนี่ย ชัดเจนนะครับว่าขณะที่ผมหยุดพูดแป๊บหนึงนะในใจน้องภาคแล้วไอพี่มาอะไรแล้วก็หลุดมาเป็นคําพูดว่าเนี่ยพี่จะเอาเรื่องอะไรเนี่ยนั่นแหละครับก็คื อ, ค อ, ค อ, คอสอบปากว่าที่ว่าความคิดถ้าไม่ถ้าอันดับแรกเนาะจับปรเด็นก่อนว่าเสียงมีจริงไหมมีจริงถ้าไม่ได้ยินเสียงเราจะจำได้ไหมเพราว่าเขาพูดอะไรถูกต้องไหมครับพอเราจําปุ๊บแล้วก็ต้องคิดถูกไหมครับเสียงได้ยินจําแล้วก็คิดแล้วก็พูด ถ้าไม่จําแล้วจะพูดได้ไงถ้าไม่จําแล้วจะคิดได้ไงถูกไหมครับนี่คือพูดถึงระดับของประวัติธรรมเนาะถึงว่าปัจจุบันนะครับขนาดเนียครับขอบคครั บ, ขอ ร, บขอรุ ญ, ญาตครับได้ยินชัดไหมครับนี่จะมาพูดในแง่ที่ว่าวันนี้สนทนาธรรมกับหลวงพ่อในประเด็นรู้ให้ถูกตัวประเด็นสําคัญที่ที่ฟังน้องเรนพูดนั้นก็น้องเรนสงสัยว่าไอ้ที่ถูกตัวหรือว่าตัวที่ ที่มารู้เนี่ยมันยังไงโดยเฉพาะไอ้ถูกถูกรู้ถูกรู้ถูกรู้เนี่ยมันได้ยินน้องน้องน้องก็คงจะได้ยินมาแล้วก็จํามาว่ามีการพูดถึงคําว่าถูกรู้แล้วก็มีรู้และมีเรารู้สิ่งเหล่านี้น้องก็มีความสงสัยว่ามันต่างกันยังไงซึ่งซึ่งหลวงพ่อก็ได้อธิบายว่าต้องอธิบายยกตัวอย่างประกอบเพราะว่าถ้าไม่อธิบายยกตัวอย่างประกอบนั้น เลยอยากจะถามว่าน้องเข้าใจว่ายังไงก่อนอันดับแรกเพราะว่าถ้าน้องไม่ถ้าน้องเข้าใจแบบนี้แล้วถ้าน้องเข้าใจตรงกับที่เรากำลังพูดโอเคเราจะไม่ได้พูดกันมากมายแล้วน้องเข้าใจว่ายังไงอ่ะตัวเราถูกรู้อันนี้ผมก็ถ้าถ้าถ้าถ้าตั้งใจฟังจะจะจะจะจะได้ยินนะครับว่าเมื่อกี้ผมคุยไปประมาณว่ามันง่ายๆครับก็คือมันเป็นเรื่องสติปัญสีถูกต้องไหมครับ ก็แต่เมื่อกี้ผมถามคำถามไปประมาณว่าทำไมไม่สอนง่ายๆไปเลยอย่างเช่นยกมือก็รู้ยกมือประเ<ร>ด็นมันอย่างนี้ว่าขณะที่น้องถามว่าไอเราถูกรู้นี่เป็นยังไงหลวงพ่อก็บอกให้ลองยกมือก่อนเพราะว่าถ้าถ้าหลวงพ่อพูดไปเลยน้องจะเข้าใจได้ไหมล่ะ <c oughs> ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือว่าถ้าน้องบอกว่าเราถูกรู้เป็นความเข้าใจน้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้น้องก็ไม่พูดดังนั้นพี่โดยจะถามว่า ไอเราถูกรู้นี่เป็นยังไงยังไงนะครับงงมีมีอะไรบ้างนะครับเราถูกรู้ครับมันมีควาว่าเราถูกรู้รเอาเอาเอาประเด็นนี้ก่อนว่าเราถูกรู้นี่ในความเข้าใจของน้องนี่น้องมีความเข้าใจว่ายังไงควาว่าเราถูกรู้ให้ผมถ้าผมอธิบายตามอธิบายตามตำราก็เดี๋ยวจะหาว่าแบบ ห้ามพูดเรื่องตำรายพูดพูดได้หมดเลยครับไม่มีใครห้ามน้องได้หรอกครับน้องจะพูดอะไรก็ได้แต่ประเด็นสําคัญก็คือประสบาการณ์ของหลวงพ่อที่เข้าใจแล้วมาถ่ายทอดว่าเราถูกรู้ที่หลวงพ่อสื่อว่าเราถูกรู้เนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนก็ได้หรือว่าเออที่ที่ได้ยินที่อื่นมันเป็นยังไงเลยถามน้องว่าเราถูกรู้ในความเข้าใจของน้องคืออย่างไรตรงเนี้เป็นเหมือนกับเกื้อกูลกตรงนี้คือสาระสําคัญอยู่ตรงนี้ครับงั้นลองฟังดูไหมครับ ยินดีครับ